พุทธะนกักกรรมเอกมวนที่ห้าโดยพระอาจารย์มหามโูสุมโนท่านสาธุชนและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราจะมาว่าบทเรียนในปริเฉตที่แปดแห่งปฐมสมโพจนิกถาในปริเฉตที่แปดนี้ ว่าด้วย พ, พุทธบูชาปริวัติในพุทธบูชาปริวัตินี้ก็ว่าด้วยตอนการบูชาของพระพุพะพทธองค์ที่เทพเ บ, บุตรเท พ, พธิดาตลอดทางเท้ามหาพรหมได้พร้อมกันแจ่เคลื่องสักการะบูชาพระโพธิสัตว์ในขณะที่ประทับนั่งบนโพธิบัลลังก์ ในบริเฉษนี้เริ่มด้วยมีนางกุลธิดาผู้นหนึ่งซึ่งมีนามาสุชาดานางสุชาดานี้เป็นธิดาของเสนกุณดุมพีอยู่ที่บ้านเสนานิคมแห่งอุรุเวลาประเทศเมื่อจเจริญวัยวัฒนาขึ้นมา นางก็ได้กระทาการบนบานต่อเทพ ย, ายดาที่สิงสถิตยอยู่ณนะที่ต้นไทรใกล้บ้านแห่งหนึ่งโดยที่นางนั้นได้ตั้งปรารถนาไว้ว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้านั้นได้แต่งงานตั้งแต่ยังอยู่ในวัยสาวรุ่งกับชายที่มีชาติระกูและทรัพสมบัติเสมอกันประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งถ้าหากมีบุตรคนแรกเป็นชายข้าพเจ้านั้นจะกระทําการบวงสวงคือแก้บนด้วยของสิ่งที่มีค่าหนึ่งแสงกะหาปะนะนางสุชาดาคือที่เป็นทิดาของเสนาคุดุงพีนั้นได้ไปนบนบานไว้แก่ที่ใ ต, ต้ต้นไทรใกล้บ้าน แก่ลูกเทวดาที่สียชถิตอยู่นั้นเหตุใดนางนั้นจึงได้ทําการบนบนบาลเช่นนั้นในข้อนี้ก็เป็นประเพณีประการหนึ่งของหญิงชาวชมพูทวีปหรือชาวอินเดียนั้นนิยมแต่งงานกันเมื่ออายุอยู่ในวัยสาวรุ่ม ซึ่งถือว่าหญิงที่มีอายุ16ปีนั้นเป็นหญิงที่ตั้งอยู่ในความงามมากที่สุดถ้าอายุเลยผ่านไปนั่นแล้วรู้สึกว่าความงามจะลดหย่อนไปถ้าหากว่าเกินอายุ20ปีไปแล้วย่านักที่จะมีชายใดจะร่วมแต่งงานด้วยดังนั้นนางสุชาดาผู้นี้ก็จึงได้ปรารถนาในการที่จะไปสู่ วัยาการแต่งงานนั้นเมื่อวัยสาวรุ่นถ้าหาผู้หญิงใดก็ตามไม่สามารถที่จะมีสา ม, มีได้หรือไม่มีชายใดที่จะมายอมมาเป็นสา ม, มีได้นั้นถือว่าเป็นความบกพร่องประการหนึ่งหรือว่าเป็นจุดอ่อนของตัวเองประการหนึ่งเขาก็จะเกิดความระอายใจ ซึ่งคนอื่นก็จะมองไปในแง่ว่าหญิงคนนี้อาจจะมีสิ่งที่บกพร่องบกพร่องประการใดประการหนึ่งจึงไม่มีชายใดที่จะยอมรับเป็นพันยาด้วยดังนั้นหญิงชาวอินเดียนั้นก็จะเกิดมีความละอายเช่นนี้จึงนิยมรีบแต่งงานเมื่ออายุในวัยสาวรุ่นดังนั้นถ้าหากว่าคนใดก็ตามอายุไปเลยยี่สิบปีไปแล้วยังไม่ได้แต่งงานนั้นก็มักจะ เป็นทํานองว่าโกหกให้ผู้อื่นในสายตาผู้อื่นว่าตนเองนั้นก็มีคู่ครองหรือแต่งงานแล้วเหมือนกันโดยการที่ใช้สีนั้นแต็มที่ระหว่างแสกผมแล้วก็นุ่งผมผ้าสาหรีเป็นต้นซึ่งเป็นประเพณีข้ออย่างหนึ่งของชาวศรัอ่าชาวลัทธิฮินดูถ้าหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนั้นจะนุ่งกางเกงแต่ถ้าหากว่า มีชายใดมาสู่ขอลืมมั่นแล้วจะเปลี่ยนเป็นนุ่งสาหรีทันทีแล้วก็แต่งงานแล้วก็จะนุ่งสาหลีเรื่อยไปจกนกระทั่งตลอดชีวิตนี่เป็นบุฟเฟณีประการหนึ่นงดังนั้นถ้าหากว่าอายุเลยยี่สิบปีไปแล้วไม่มีชายใดที่จะมาเป็นมายอมรับแต่งงานเป็นสามีด้วยก็จะใช้วิธีนุ่งสาหรีโดยเป็นการที่พลางตาผู้อื่น แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าปรารถนาการแ ต, แต่งงานในวัยสาวรุ่นกับชายที่มีชาติสกุลและทรัพย์สมบัติเสมอกันนาสุชาดานี้เกิดในตระกุลของพรามและเป็นพรามที่มีอ่าพรามที่ล่ำรวยเศรษฐีมีเงินมีบ้านอยู่ถึงอ่ามีตึกที่เป็นที่อยู่อาศัยหนึ่งถึงเจ็ดชั้นเดยกัน ก็ปรารถนาที่จะแต่งงานกับชายที่เป็นสกุลพราหม์ด้วยกันจึงเรียกว่ามีชาติสกุลเสมอกันแล้วก็ให้มีทรัพย์สมบัติพอๆกันนี่เป็นประกัรหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นปรารถนาความอ่าต้องการที่จะมีลูกคนหัวตีนั้นเป็นชายคือบุตรคนแรกสําหรับชายนั้นชาวอินเดียถือกันมาก ชอบที่จะได้ลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงโดยมีมตัตต์แอโดยมีความเข้าใจว่าบุคคลที่มีลูกชายแล้วนั้นสามารถที่จะพ้นนรกได้คุ้มหนึ่งหรือพ้นในการที่จะตกนรกไปได้ถ้าคนใดนั้นยังไม่มีบุตรไม่มีลูกชายของตัวเป็นลูกชายแล้วก็มักจะเกิดความวิปติสายคือความเดือดร้อนเพราะเหตุที่ว่าตนเองยังไม่พ้ น, นกุณละกนี่เป็นประการหนึ่งเป็นความเห็น ของชาวอินเดียหรือคนชาวฮินดูฮินดูหรือลทัทธิพราหมณ์นั่นเองอีกประการหนึ่งนั้นสําหรับชายนั้นเป็นผู้ที่จะได้สืบตระกูลต่อไปแล้วชายนี้การที่จะแต่งงานนั้นประเพณีของชาวอินเดียบางประเภทนั้นหญิงต้องไปสู่ขอชายไม่ใช่ชายไปสู่ขอหญิงเพราะฉะนั้นชายนี้ก็เป็นตัวเงินตัวทอง ดังนั้นนาสุชาดานี้จึงได้ทำการบนบานสารกล่าวเช่นนี้ต่อมานานนั้นก็ได้สาเร็จความปรารถนาทุกประการคือได้แต่งงานกับชายที่มีวันณะเดียวกันคือวันณะพรามมีชาติสกุลมีทรัพสมบัติเสมอกันและก็แต่งงานในเวลาที่ตนเองนั้นเป็นวัยยังอยู่ในวัยรุ่นสาวและก็มีบุตรคนหัวีนั้นเป็นชาย จิงได้ปราลบที่จะทำพลีกรรมคือแก้บนแก่เทพพญดาทั้งหลายที่นางได้บนบานแสงกล่าวไว้ดังนั้นนางนั้นจึงคิดที่จะทำข้าวมะทุปายาตเป็นการแก้บนต่อเทพพญดาแห่งต้นไสนั้นนางก็จึงจัดให้จึงได้จัดหาแม่วัวนม ซึ่งเป็นที่เป็นแม่งวัวที่สมบรูรณ์ไปด้วยน้ำนมมาบาที่พันดีๆมาประมาณหนึ่งพันตัวแล้วก็ได้ให้คนใช้แหละทาสแลกกนนะกรรมกรนั้นนำวัวหนึ่งพันตัวนั้นไปเลี้ยงในป่าในป่าเชะเอมโดยความประสงค์ที่จะให้กินพวกเถาเชะเอมเข้าไปเพื่อหวังที่จะให้น้ำนมนั้นหวาน เมื่อ น, นาไปเลี้ยงในป่าเชเอมแล้วนําวัวกลับมาก็แบ่งหมูวัวเนี่ยออกเป็นแบ่งแม่วัวนมเนี่ยออกเป็นสองฝ่ายด้วยวกันฝ่ายละห้าร้อยตัวจึงได้เลือดน้ํามนมจากแม่วัวห้าร้อยตัวฝ่ายหนึ่งแล้วก็นํามากรอกให้แม่วัวอีกห้าร้อยอีฝ่ายหนึ่งนั้นกินแล้วก็นําแม่วัวที่ได้กินนมนั้นน่ะ ไ ด, ได้กรอกน้ำนมเข้าไปนั้นห้าร้อยนั้นไล่ไปกินในป่าเชีเอมอีกแล้วก็ได้แบ่งแม่วัวห้าร้อยตัวนั้นออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายละสองร้อยห้าสิบตัวก็เลี้ยงนมจากแม่วัวสองรอยห้าสิบตัวนั้นไปกรอกให้แม่วัวอีกสองรอยห้าสิบตัวกินโดยทำนอง น, นี้แหละก็ทําอยู่จนกระทั่งเหลือวัวสิบห้าตัว เงินเหลือวัวสิบห้าตัวแล้วก็จึงได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเจ็ดฝ่ายหนึ่งแปดตัวได้รีบกน้ำนมจากแม่วัวเจ็ดตัวนั่นมากรอกให้แม่วัวแปดตัวนั้นกินแล้วก็จึงได้ไล่แม่วัวแปดตัวนี้เข้าไปเลี้ยงในป่าชเชลเมในวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกนาสุชาดานี้ก็ปราลก ที่จะหุงข้าวมะุปายาตกินได้นำแม่วัวนมนั่นแป่ตัวนั่นมาแล้วก็รีดน้านมใส่ลงกระทะเคี่ยวแล้วก็หุงข้าวข้าววะทุปายาตนี่คือข้าวที่หุงด้วยน้ำนมแล้วก็เกลือพวกน้ำตาลใส่โกลและของสิง่งลดราคาที่เลือดดีๆนาสุชาดานี้ก็ได้ กระทำข้าวมะทุปายาตินี่กวนขึ้นกระทั่งจนในเวลาค่ากว่าจะเสร็จเรียบร้อยกวนจนกระทั่งข้าวมะทุปายาตนี่แค่นพอที่จะปั้นเป็นก้อนได้เมื่อกวนเสร็จเรียบร้อยสุขเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าได้ข้าวมะทุปายาตินี้ประมาณถาดหนึ่งในประวารถาดหนึ่ง ในเวลาใกล้ลุ่งของวันขึ้นสิบสี่ค่ำแอในเวลาใกล้ลุ่งตอนเช้าที่จะขึ้นสิบห้าค่ำนั่นเองนางสุชาดานี้ก็จึงให้นางทาสีคนหนึ่งชื่อวปุณนาทาสีไปปัดกวาดภายใต้ต้นไทรให้สะอาดสะอ้าน โดยตนเองหวังว่าเช้านั้นในตอนเช้า ว, วันในตอนเช้าตรูในตอนเชา้นนชานั้นจะนําข้าวมทธุศไปยา่านนี้ไปแก้บนแก่ลูกเทวดาที่ต้นทรนั้นในคืนวันนั้นเองเพื่อมหาบุรุษบุลมโพธิสัตว์ตั้งแต่เริ่มกระทําความเพียรมาแล้วทางใจแล้วในค่ําคืนวันนั้นพระองค์ก็บรรทมหลับไป แล้วก็ทรงสุบินนิมิตห้าประการด้วยกันประสุบินนิมิตห้าประการนั้นพระองค์ก็ไม่มีพระราชาใดที่จะทํานายพระสุบินนิมิตของพระองค์ได้พระองค์ก็ชายวิจารณายญาณของพระองค์คือใช้พระปัญญาของพระองค์พิจารณาแล้วก็ทํานายทายทักด้วยพระองค์เอง ซึ่งพระสุบินานิมิตทั้งห้าประการที่พระองค์ได้ทรงสุบินานิมิตในคือใน่ในาคืนแห่งวันที่สิบสี่ค่ำนั้นขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกนั้นก็มีอยู่ว่าข้อที่หนึ่งว่าพระองค์นั้นทรงบรรทมหงายบนพื้นดินซึ่งมีภูเขาหิมพานเป็นขนเลยคือเนอายคือทรงบรรทมแล้วหนุนภูเขาหินหินมะวันนั้นแทงขนเลยคือหมอน พระพาหาข้างซ้ายก็เลยยังลงไปในมหาสมุทรทิศบุรพาคือทิศตะวันออกพระพาหาข้างขวาก็เลยยังลงไปในมหาสมุทรทิศตะวันตกและพระบาททั้งคู่นั้นก็ยังลงไปในมหาสมุทรทิศทักษิณ น, นี่เป็นความอ่าเป็นพระสุบินิมิตความฝันของพระองค์ข้อหนึ่ง สำหรับในข้อนี้พระองค์ก็ทรงทานายด้วยพระองค์เองว่าเป็นนิมิต ท, ที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่เป็นข้อที่หนึ่งในข้อที่สองนั้นพระองค์ทรงสุบินนิมิตไปว่ามีญ้าแพรกงอขึ้นแต่พระนาภีคือสะดือของพระองค์เองสูงขึ้นไปจนถึงท้องฟ้า ในข้อนี้พระองค์ก็ได้ทำนายเองว่าเป็นนิมิตที่พระองค์นั้นจะได้แสดงอริยมรรคแปดประการแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเหตุที่ว่ายาพแพลกนี้งอกจากพระนาพีคื อ, เ, อเบื้องต่ำของพระองค์ที่เบื้องต่ำขึ้นไปถึงทองฟ้าก็แสดงว่าขึ้นไปถึง ชั้นแดนสวรรค์พระองค์ก็จะได้โปรดทั้งมนุษย์และเทวดาเหมือนกันในพระสุบินิมิตข้อที่สามพระองค์ได้ทรงสุบินนิมิตไปว่ามือหนอนล้วนแต่มีตัวหก ข, ขาวแต่ว่าหัวดำได้ตายขึ้นมาจากพระบาทของพระองค์นั้นจนถึงพระชานุคือเขาในข้อนี้พระองค์ก็ทรงทํานายภายทักว่า เป็นนิมิต ท, ที่มูครหัตทั้งหลายจะมาสู่สำนักของพระองค์เป็นอันมากและก็จะได้บรรลุไตราสารนาคมจะได้บรรลุไตราสรารณคมคือขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์นั้นเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกเรียกว่าแสดงตนเป็นอุบาสกในพระสุบินนิมิตข้อที่ห้าว่ามีนกสี่จำพวกคือจำพวกหนึ่งสีเหลือง จำพวกหนึ่งสีเขียวจำพวกหนึ่งสีแดงและจำพวกหนึ่งสีดําบินมาจากทั้งสีทิศคือแต่ละพวกนั้นมาจากแต่ละทิศละทิศดกันบินมาถึงพระองค์ก็มาจับฟลุปลงที่แทบพระบาทแล้วก็กลับกลายเป็นสีขาวไปทั้งสิ้นบรรดานกทั้งหลายที่เป็นสีเหลืองก็ตามสีเขียวก็ตามสีแดงก็ตามแล้วก็สีดําก็ตาม เมื่อมาจาับทุกที่ลงที่พระบาทของพระองค์แล้วก็กลับกลายมีสีขาวไปทั้งสิน้นในพระสุบินนิมิตขอ้อนี้พระองค์ก็ได้ทำนายว่าเป็นนิมิตว่าวันณะทั้งสี่ซึ่งวันณะทั้งสี่นี้ก็วันนักสัตว์วรนนัพราหมวันนักแพทย์และวรนนักสุขจะมาบรรปชานในพระธรรมวินยัยและแตรัสรู้วิมุติธรรมคือเมื่อมาบันปชานในพระธรรมวินัยแล้ว เรื่องของวันละสี่ประการนั้นก็ไปอันหมดไปก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธบุตรเหมือนกันเสมอกันไม่มีวันละไม่มีชั้นไม่มีวันละและก็จะได้ตตดสรุยมุติธรรมคือทำเป็นเครื่องหลุดพ้นก็คือได้แก่พระนิพพานนั่นเองในพระสุบินิมิตข้อที่ห้าว่าพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปเดินจงกลมบนยอดภูเขาที่ยอดภูเขา ลูกหนึ่งซึ่งเปรื้อนไปด้วยมูดและคูดคืออุจจาระปัสวะเต็มไปหมดแต่ว่าพระบายของพระองค์นั้นไม่ได้เปรื่อนไปด้วยมูดคูดเหล่านั้นเลยสําหรับในพระสุบินนิมิตข้อนี้พระองค์ก็ทรงทํานายว่าเป็นนิมิตที่พระองค์จะได้ปัจจัยทั้งสี่ ปัจจัยทั้งสี่นี้ก็คือกีวรมินทบาทเสนาสนะและคิลานาเภสัชก็หมายถึงว่าเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและย า, ะารักษาโรคแต่ว่าพระองค์นั้นจะไม่ติดอยู่ในปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้คือไม่หลงติดอยู่ในปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้พระสุบินนิมิตทั้งห้าประการนี้เมื่อพระองค์เมื่อพระองค์ทรงบรนทมขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้ทํานายถายทักด้วยพระองค์เอง แล้วพระองค์ก็มีความมั่นใจว่าพระองค์จะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นแน่แท้ดังนั้นพอลาตรีสว่างวันขึ้นสิบห้าค่ำแห่งวิสาขปุณมีนั่นเองพระมหาบุรุษบปลรมโพธิสัตว์ก็ทรงชำระสลีละกายแล้วก็ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไสนั้นซึ่งในขณะนั้นเองนางปุณณาสีคือนางบุญผู้เป็นทาสีของนางสุชาดานั้น ได้ไปเพื่อจะชำระโคน ต, ต้นสทยให้สะอาดตามคำของนางสุชาดาเพื่อที่นางสุชาดานั้นจะได้นำเอาข้าวมาทุปราญาตนั้นมาแก้บนแก่เทวดาที่นั้นน า, า น, า น, นางพุทธนาฏนางนาฏพุทธาทศรีผู้นั้นได้มาเห็นพระโพธิสัตว์ขึ้นเห็นมีหน้าตาสดใสรูปร่างสง่างามเครื่องหนุงหมก็เรียบร้อย เข้าใจว่าเป็นลูกเทวดาจึงได้รีบกลับไปบอ ก, ก น, นางสุชาดาว่าพระแม่เจ้าบัดนี้เทวดานั้นคงจะทราบว่าพาแม่เจ้านั้นจะนำเครื่องไปบวงถวงจึงได้สเสด็จลงมาคอยนั่งรับเครื่องบวงสวง เ, เครื่องบนบานแลหที่ตนใส่นั้น นางสุชาดาได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความยินดีแล้วก็จึงได้พร้อมด้วยบริวาร น, นำข้าวมัทุปายาตไปยางก้มใส่นั้นท่านได้เห็นพระมหาบรุษก็เกิดความโสมนัสยิน ด, ดียิ่งนักก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาเป็นลูกเทวดาที่จะลงมารับเครื่องเส้นนั้นเช่นกันจึงได้รับข้าทาแห่งข้าวมัทุปยาตนั้น เดครานเข้าไปนำไปถวายทั้งถาทองพระโพธิสัตว์นั้นในขณะนั้นบาดของพระองค์ได้หายไปเสียไม่มีของที่จะรับข้าวมาัทุปายาตนั้นก็จินได้มองตาของนางสุชาดานางสุชาดานั้นก็รู้เข้าใจก็จึงได้บอกว่าขอถวายทั้งถาทองเลยเมื่อถวายแล้วก็ได้บรรทัดไหวแล้วก็จิงได้กล่าวว่ามนโนรถของข้าพเจ้า ได้สําเร็จแล้วฉันใดขอสิ่งที่พระองค์ประสงค์จงสำเร็จฉันนั้นอ่ะแล้วก็ทูลลากลนางสุชาดานั้นเมื่อเอาข้าวมาทุ่งไปญาติไปถวายแต่พระมหมาบุรุษแล้วแทนที่พระมหมาบุรุษนั้นจะให้พรทรงให้พรกลับให้พรพระมหมาบุรุษว่าขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นให้จงสําเร็จเหมือนกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ประสงค์มาสำเร็จมาแล้ว เพนางได้สาเร็จความประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้แล้วก็ทูนให้พอด้วยแล้วเส้นนางนั้นก็ทูนหลากลับไปพระโทธิสัตว์นั้นเมื่อได้รับข้าวมะทุปาญาติของนางสุชาดาแล้วก็จินได้เสด็จจากต้นไทรนั้นอทรงถือถาดข้าวมะทุปาญาติเสด็จไปยังริมแม่น้นําเนรัญเชลา เมื่อทรงสเสด็จไปถึงแล้วก็ทรงสงฆ์ชำระพวัติกายให้สะอาดในแ ม, นานามน่น้ำเนรัญชลานั้นขึ้นแล้วก็มานั่งประทับแล้วก็ปั้นข้าวมาทุบปลายยอนั้นได้ประมาณทั้งหมดหนึ่งถาดนั้นประมาณสี่สิบเก้าปัน้นแล้วพระองค์ก็ทรงสวยเมื่อพระองค์ทรงสวยแล้วก็เห็นว่าถาดทองนี้ พระองค์นั้นไม่มีกิดที่จะต้องใช้ต่อไปจึงว่าจึงจึงไม่ไม่คิดจะเก็บไว้เพราะเก็บไว้ก็เป็นภาระในการที่จะรักษาจึงได้ทรงถือถาดทอง น, นั้นไปสู่ริมแม่น้ำแล้วก็ได้ตั้งจิตทรงได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าอาตามะจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาจะได้ตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นบรมโลกนาดแล้วไซขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเมื่อทรงอธิษฐานเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จึงได้ทรงลอยถาดทองคำนั้นในแม่น้ำเนรัญชลาก็ปรากฏว่าถาดนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ไกลถึงประมาณแปดสิบศอกหรือว่ายี่สิบวาแล้วก็จมลงพระมหาบรุษได้ทรงทอดพระเนตรเห็นนิมิต ด, ดังนั้นก็จึงโสมนัดอย่างยิ่งว่าพระองค์นั้นจะต้องได้ตรัสรู้เป็นอย่างแน่จะได้ตรัสรู้อนุตรสรสัมมาสัมพุทธิยานอย่างแน่นอนขั้นทรงลอยถาเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จกลับไปพักผ่อนพระริยาบทที่ใต้ต้นลังแห่งหนึง่ง ในป่าลังนั้นพอในเวลาสายยันตะวันบ่ายพระองค์ก็ได้เสด็จออกจากป่าลังนั้นเพื่อจะทรงแสวงหาสถานที่ที่จะทรงนั่งบำเพ็ญเพียรเพื่อจะตรัสรู้ต่อไปพระองค์นั้นก็จึงเด็จเดินทรงเดินข้ามฟะข้ามแม่น้ำเนรัญชลา มาทางฝั่งแม่น้ำเนลัญชลาด้านทิศตะวันตกคือที่พระองค์ทรงประทับรับข้าวมัทุปาญาตของนางสุชาดาและก็นั่งทรงสเสวย อ, อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนลัญชลานั้น <c oughs> เป็นฝ้าฝั่งแม่น่าฝ้าฝั่งตะวันออกแห่งแม่น้ำเนลัญชลาดังนั้นในตอนบ่ายนี้ที่พระองค์จะเสด็จหาสถานที่ทรงบำเพ็ญ เทียนต่อไปนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จข้ามมาอย่างฝั่งข้ามแม่น้ามายังฝั่งฝากด้านทิศตะวันตกในขณะที่เดินมาในระหว่างทารงดาเนินมาในระหว่างทานั่นเองก็จึงได้มาพบพรพามผู้หนึ่งชื่อว่าโสธิยพรามโสธิยพรามนี้ก็มีอาชีพในการที่ตัดหญ้าขายคือเกี่ยวหญ้าสำหรับขายให้แก่ พ่อค้าอาพ่อค้ามา้าพ่อค้าวัวซึ่งได้นำวัวหรือนำมา้านั้นบรรทุกเรียนหรือสิ่งของที่นำมาขายจากทางไกลพบเพือพ่อโพธิสัตว์ขึ้นเกิดความเลื่อมใส <c oughs> แต่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะถวายเมื่อไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะถวายแล้วก็จึงได้ถวายหญานั้นแตกกำมือญาที่ตนเองเกี่ยวนั้นแตกกำมือ เพื่อที่จะให้พระโพธิสัตว์นั้นสําหรับลองประทับนั่งพระองค์นั้นก็ได้ทรงรับญาติทั้งแต่กำมือของโสธิยาพราหม์แล้วก็ได้สเสด็จเที่ยวหาสถานที่จะบำเพ็ญเพียรต่อไปก็จึงได้มาพบต้นอัศพลึกต้นอัศพลึกเห็นพระองค์ทรงเห็นว่า ต้นไม้แห่งต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีใบหนาเหมาะในการที่จะนั่งบําเพดเพียร เ, เพราะเป็นเหตุที่เรียกว่าป้องกันฝนและแดดได้อย่างดีฝนและแดดได้อย่างดีพระองค์ก็จึงได้เข้าไปที่ใกล้ๆต้นอัศพลอัอัสถะเพลสนี้หรือที่เราเรียกกันก็คือต้นโพนั่นเองความจริงแล้วคําว่าต้นโพนี้ ต้นไม้นี้ได้ชื่อว่าต้นโพนั้นเพราะเป็นเหตุเพราะเหตุที่ว่าเป็นต้นไม้สําหรับที่พระองค์ทรงนั่งบำเพ็ญเพียรนจนได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นโพธิโพธินี่แปลว่าแดนเป็นที่พองไสแห่งปัญญาดังนั้นต้นโพนี้จึงมีนามว่าต้นโพนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนับมาจนการปั่นนี้ก็เพิ่งจะมีชื่อได้ 2,500 2,560 กว่าปีเท่านั้นเอง50กว่าปี เจ็ดสิกว่าปีเดิมนั้นชื่อว่าต้นอัสสถะพระองคทงอ์ทรงเห็นว่าต้นไม้นี้เหมาะในการที่จะนั่งบ็มเพลียนแล้วพระองค์ก็ได้ทรงปลูกลาดยาคาแปะกำมือนั้นณนะที่โค น, น, นต้นโคนต้นโพนั้นหรือต้นอัสสถานั้นแล้วทรงอธิษฐานเป็นลัตนบัลลังพระองค์นั้นได้ปลูกลาดยาคานั้น ในขนแอนในหขนหทางที่ทางที่ตะวันออกแล้วพระองค์ก็ทรงขึ้นประทับนั่งพิงพระพักสู่ทิศตะวันบุรุพาคือที่ตะวันออกสู่ทิศบุรุพาที่ตะวันออกก็คือหันหน้าไปทางทรงหันพระพักไปทางแม่น้ําเนรันฉลาอันไปสู่ทางที่ตะวันออกนั่นเองบุรุพาหรือที่ตะวันออกนั่นเอง โดยที่พระองค์หันพระเปิดาสดงคืนหลังนั้นสู่ลำต้นมหาโพลหรือว่าอสสถานั้นนั่งบลังคือขัดสมาธิตั้งพระกายตรงดำลงพระสติมั่นจเจริญอาณาปานาสติภาวนาแล้วก็ตั้งสัติยาธิฐานว่าถ้ากรมละสันดานของข้าพ เ, เจ้ายังไม่พ้นอาสวะกิเลสตราบใด แม้พระมังสะคืนเนื้อพระโลยิตคืนเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่พระตจากคือหนังน า, ารเคือเอ็นและอัฐิคือกระดูกก็ตามทีอาตมาจะไม่ยอมลุกขึ้นจากบรรลังนี้อย่างเด็ดขาดพระองค์นั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ ว่าถึงแม้แต่อแม้แต่จะมีภัยอันตรายใดๆก็ตามที่จะมาเกิดขึ้นพระองค์พระองค์จะไม่ยอมลุกเด็ดขาถ้าหากว่ายังไม่พ้นจากอาสวักิเลสจะยอมประทับนั่งอยู่ที่นี่ตลอดไปจะเหลือแต่ว่าหนังหุ้มกระดูกหรือกระและ้วสะพรั่งไปไเองก็ตามเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามทีจะไม่ยอมลกอุกจนไเด็ดขาดพระองค์มันทรงตั้งใจอย่างเด็ด ยังเด็ดเดี่ยวมากเพราะฉะนั้นความเพียรในครั้งนี้จึงเรียกว่ามหาประธานคือความเพียรมหาประธานคือความเพียรนั่นเองเพระองค์ก็ได้อธิษฐานเป็นลัตนะบาลังเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ทรงนั่งประทับที่จะบำเพ็ญเพียรทางใจศึกต่อไปในขณะนั้นเองเทพ เ, เ, เจ้าทุกมือเรา ตั้งแต่พื้นปตพีจนถึงพรหมโลกต่างก็มีความชื่นชมโสมนัสยินดีเป็นอย่างมากจึงได้ชวนกันจัดเครื่องสการะบูชานานาชนิดนำมาน้อมถวายบูชาพระบรมศัตว์พระบรมโพธิสัตว์เครื่องสการะบูชานั้นมากมายหลายหลักเหลือที่จะนับได้ โดยความยินดีที่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่นอนก็เป็นอันว่าจบในปริเฉตที่แปดอันว่า ด, ด้วยปูชาปริวัติเพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชน ผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ถึงการบรรยายเรื่องเรื่องของพระประถมสมโพธิในปริเชตที่เก้าต่อไปในปริเชตที่เก้านี้ว่าด้วยม า, วมารวิชายปริวัติคือเรื่องการชนะมารหรือในเช่นหนึ่งที่เราเรียกกันว่าแระจนมาน ในมาลวิชายปริวัตินี้หมายถึงว่าตอนที่ว่าดโดยการชนะมารในที่นี้ได้กแก่การที่พระบรมโพธิสัตว์นั้นทรงชนะพยาววสุวีมารซึ่งยกทัพมาพระจนพระองค์ขณะประทับนั่งบำเพ็ญวิปัสนาภายใต้ต้นมหาโพนั้นในเวลานั้นเอง ที่พระบรมโพธิสัตว์ประทับนั่งณบนรัตนบัลลังก์ภายใต้ต้นมหาโพหรือต้นอัสศทะทรงเจริญอาณาปานสติกรรมฐานอยู่นั้นคือพระองค์เริ่มต้นที่จะเจริญบำเพ็ญเพียรทางใจนั้นพยาวสวดีมานซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นปรานิมิตาวะสวัสดีได้ทราบเข้า ได้ทราบว่าพระโพธิสัตว์นี้ทรงตั้งสติญาธิฐานเพื่อจะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าก็จึงเกิดความริสยาพยาบาทอยากจะทำลายพรโพธิสัตว์เสียซึ่งความจริงพยายามวสววีมาเนี่ยได้ติดตามพระมหาบุรุษอยู่ทุกเมื่อแม้กระทั่งตอนที่พระองค์นั้นเสด็จออกบรรพชาก็ทรงห้ามที่จะไม่ให้ออกบรรพชา ไม่มออกหนดบอกว่าอีกเจ็ดวันทท้งนั้นสมบัติแห่งความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจ็ดประการนั้นจะบังเกิดขึ้นแก่พระองค์การที่พยามาลาธิราชหรือพยาวสวดีมานได้มาห้ามเช่นนี้ก็ด้วยอำนาจจิตที่ลิสยาเพราะเหตุที่น้อยใจตนเองนั้นในอดีตชาติ เคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันกับพระโพธิสัตว์คือพระพุทธอคือพระมหาบุรุษนี่แหละแต่บำเพ็ญบารมีแล้วสู้พระมหาบุรุษไม่ได้ก็จึงได้เกิดความลิษยาขึ้นตอนนี้พระมหาบุรุษนั้นบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะตัดสุรุนุตัรสัมมาสมัมโพธิญาณก็กลัวว่าพระมหาบุรุษนี้จะพ้นวิสัยของตนเองไปเสียก็คือว่าจะพ้นวิสัยแห่งการที่จะเกิดแก่เจ็บตายไปเสีย ดังนั้นก็คิดที่ว่าจะทำอันตรายไม่อยากจะให้พ้นจากวิสัยของตนเองไปเสีก็จึงได้ทรงขึ้นจึงได้ขึ้ น, นช้างชื่อว่าทิริเมรแล้วก็นำพลนำพลพวกมารทั้งหลายในยจำนวนมากมายยาตราทับมาเพื่อจะแย่งรัตนะบลลังก์ ด้วยวิธีการยุทธอันโหดบันโหดเที่ยมนาน า, นาประการแต่ในขณะนั้นก็เด็กเกิดลางไล่หลายอย่างปรากฏมาก่อนทับมารเป็นต้นว่ามีลูกกาบาทตกอยู่รอบๆต้นมหาโพบ้างมีควันมืดตลบไปในอากาศบ้าง ซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของมานเพราะฉะนั้นพวกเทพเทวเดเทพยันดาทั้งหลายที่มาเฝ้าบูชาพระบรมศัตว์อภุมบรมโพธิสัตว์ที่ใกล้แห่งพระบรมโพธิสัตว์แอ่บําเพ็ญเพียร น, นั่นเองก็แตกตื่นพากันหนีกลับไปวิมานของตนสตียหมดโดยที่ปล่อยให้พระโพธิสัตว์นี้ประทับอยู่แต่พระองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นพยามาร เมื่อมาญาตราทัพมาแล้วก็เนรมิตรกายมีประการต่างๆจะทำการลบพุ่งฝ่ายพระโพธิสัตว์นั่นทอดพระเนตรเห็นพยา ม, มาแล้วซึ่งพยา ม, มานี้ก็ทรงช้างคีรีเมตรพร้อมด้วยเสยนาจมาลเปน็นเป็นอันจำนวนมากมีอาวุธครบมือก็ทรงลมพึงพระทยว่า ข้าศึกเป็นจํานวนมากเช่นนี้จะทําการย่ายีอาตมาเพียงผู้เดียวซึ่งในขณะนี้อาตมานั้นก็เหลือเพียงผู้เดียวเท่านั้นในที่นี้พระปร ะ, ร ะ, ประยูร ญ, ญาติพระราชบิดาหรือที่ว่าเป็นพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายที่จะเป็นที่พึ่งที่พํานักได้และจะช่วยลบปัจจามิตรได้ก็ไม่มีแม้เทพ ย, ยดาทั้งหลายก็ได้หนีไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็เห็นมีแต่พระบารมีสามสิบประการเท่านั้นที่เราเรียกว่ า, าบารมีสามสิทธักที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดการถึงสี่อสงไขยกับหนึ่งแสงกลับและบุรุษโยธาคือทหารเอกทั้งหลายเจ็ดประการได้กันก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหิริและโอตปะ ซึ่งพอที่จะเข้าต่อกองสู้กับพญามาร น, นั้นได้ดังนั้นพระองค์มเมื่อทรงตัดสินพระทัยเช่นนี้แล้ว<ม>ก็จึงได้ตั้งสัตยาอธิษฐานอ้างเอาคุณพระบแห่งพระบารมีสามสิบทัพหรือสามสิบประการนั้นขึ้นมาเป็นกองทัพธรรมเข้าตีโต้ของกองทัพมาร มีพระหาเหไทยชื่นบานตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ได้หวัดไหวหววัันไพญามารเห็นว่าพระองค์นั้นไม่ได้หวัดไหวก็มีความพิโลดแรงขึ้นและก็พิโลดกล้าแรงขึ้นก็จึงได้ลองประกาศให้พวกโยธาหารนั้นใช้กําลังเข้าไปชิดเพื่อจะพิชิตพระองค์ให้ได้ได้ใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆมากมายหลายประการ แต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระโพธิสัตว์ได้พญามานั้นจึงได้ใสช้างคิรีเมตเข้าไปใกล้ตนมหาโพธิ์และก็กล่าวอ้างสิทธิในรัตนบัลลังโดยคุกคามพระโพธิสัตว์ให้ออกไปจากรัตนะบัลลังเสียซึ่งได้กล่าวอ้างว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ของตนฝ่ายพระโพธิสัตย์ก็เด็ด ตรัตตอพยามานว่ารัตนบัลลังก์นี้เนี่ยเป็นของพระองค์โดยพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีม า, าตั้งสี่อสงไขยกำหนึ่งแสงกลับนั่นก็เพราะต้องการที่จะเป็นเจ้าของแห่งรัตนบัลลังก์แห่งนี้มานั้นก็จึงได้กล่าวว่าที่พระองค์อ้างนั้นนะ่ะมีใครเห็นด้วยหรือว่ามีใครเป็นพยานหลักฐานพระบรมธิหสถก็ไม่สามารถที่จะหาใคร มารับสมอ้างมาเป็นพยานได้ก็จึงได้ทรงชี้ประหัตไปที่พื้นประตีโดยอ้างพระแม่ธรณีนั่นขึ้นมาเป็นพยานในขณะนั้นเองพระนางธรณีนั่นก็ได้ลเน ล, นลมิตรเพศเป็นหญิงผุดขึ้นจากพื้นแผ่นดินมายืนอยู่เฉพาะพระพักของพระบรมโพธิสัตว์ แล้วก็จึงได้รับสมอ้างกับพญามาณว่าที่พระโพธิสัตว์ได้อ้างนั้นเป็นความจริงพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีสะสมมาถึงสี่อสงไขยก็หนึ่งแสงกับนั้นในการที่ทำบุญสิ่งใดก็ตามได้กรวดน้ำลงไว้นั้นข้าพเจ้าได้รับน้าที่พระโพธิสัตว์นั้นกรวดไว้ส่วนหนึ่ง ดังนั้นพระนามธรณีนั้นก็จึงเดบิดน้ําในมวยผมของตนให้ไหลออกเป็นวังน้ําใหญ่ไหลบ่าไปท่วงกองทัพพญามารพร้อมทั้งพลเสนามารทั้งหลายพญามารพร้อมด้วยเสนามารก็ถูกน้ํานั่นท่วมแล้วพัดพาไปไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่ได้จึงได้แตกรกระจายไปสิ้นหมดพญามาร พยาวสวัสดีมานั่งกลัวพระเดชบรมีของพระโพธิสัตว์เป็นอันมากก็จึงได้คิดย่อท้อพระทายยญิงนักจึงทิ้งสัตว์สรรพภาษาสาตราอาวุธต่างๆและประคองอัญชลีนามัสมมการพระโพธิสัตว์แล้วก็กล่าวสรรเสริญถึงพระบรมีอย่างมากมายแล้วก็จึงได้หลีกไป เวลาที่พระโพธิสัตว์ทรงชนะมารได้นั้นเป็นเวลาเย็นแห่งวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นทรงชนะมารได้แล้วเทพเจ้าเหล่าเทพ ย, ยดาทั้งหลายก็ชื่นชมโสมนัส่งเสียงชัยโยโหรงแ ส, สองสาธุการทั่วมงคลจั ก, กรวาลโดยทั่วกัน อันนี้ที่แท่ากล่าวนั้นก็กล่าวโดยการที่เป็นปุคลาธิฐานแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยธรรมาทิฐานแล้วคําว่าพยาวสุวดีมานและกเกษนามานนั้นก็ได้แก่กิเลสและตัณหาที่ฟุ้งอยู่ในพระทาไทยของพระองค์นั่นเองซึ่งพระองค์นั้นได้วหวนไป ล, ลึกถึงความสุขในพระราชวังในราชสมบัติ ความสุขอันประกอบไปด้วยโล ก, กิวิสัยหรือความสุขที่ประกอบไปด้วยเบญจการมคุณอันนี้แหละจึงนับได้ว่าเปรียบเหมือนกับพญามา น, นันมากุ้มลุมทำลายพระหฤทัยของพระองค์นั้นให้หวาดไหวหวาดไหวแต่พระองค์นั้นก็ทรงใช้พระขันติทรงใช้พระขันติบารมีเป็นต้น แล้วก็ได้ใช้พระบารมีที่พระองค์ได้ทรงประพฤติมาทั้ง30สประการนั้นหรืออะยรได้ว่าบารมีสิประการนั้นสิทธัตน์นั้นขึ้นมาต่อสู้เพื่อจะเอาชั้นะกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านั้นโดยหวังที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่สาธุชนโดยทั่วไปดังนั้นพระองค์ก็สามารถที่ใช้พระบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมา เพื่อความเป็นพุท ธ, ธะหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นกำจัดกิเลสและตัณหาเหล่านั้นให้ปราศจากไปเสียได้ดังนั้นจึงไปอันว่าพระองค์นั้นได้ทรงชำนะมารซึ่งเป็นมารภายในก็เป็นอันว่าจบในปริเชตที่9ว่าด้วยมาลวิชัยปริวัติคือการชำนะมารหรือระจญมารได้สำเร็จ แต่เพียงเท่านี้ในบริเฉษที่สิบต่อไปในบริเฉษที่สิบต่อไปนี้ว่าด้วยอภิสัมโภทิปริวัตก็คือหมายถึงตอนที่ว่าด้วยการตัสรู้ ส, รสัมมาสัมโพธิญาณได้แก่ตอนที่พระโพธิสัตว์นั่นเจริญอาณาปณาาสติกรรมฐาน จนได้ตรัสรู้อริยสัจจะทำสี่ประการสำเร็จเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นทรงชำนะมารในเวลาเย็นได้แล้วพระอตตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ได้ตกดิ น, ห, นหมู่เทพพยายดาทั้งหลายซึ่งเด่นหลบหนีไปหลบหนีพยามารไปนั้นก็กลับมาเฝ้าพระโพธิสัตว์ ด้วยความปีติยินดีทั่วนากันพระโพธิสัตว์ก็ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์นั้นเริ่มการเจริญบำเพ็ญโดยการเจริญภาวนาบำเพ็ญเพียรต่อไปการบำเพ็ญเพียรเจริญภาวนานั้นท่านกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงเจริญสมถกรรมฐานเป็นเบื้องบาทแห่งวิปัสนา อันเป็นเบื้องบาตรอัเบื้งปรสนาแล้วก็จึงได้เจริญวิปัสนาต่อไปขั้นล่วงเข้าราตรีปฐมยามพระมหาบุรุษนั้นก็ทรงเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งยังสมาบัติแปดประการให้บังเกิดขึ้นซึ่งสมาบัติแปประการนี้ก็ได้แก่รูปฌานสี่ อรูปฌานสิจเจริญจงกนกระทั่งที่ให้สมาบัติแปดประการนี้ให้บังเกิดขึ้นแล้วก็ทรงบรรลุญาณอันเป็นตัวปัญญาที่หนึ่งก็คือปุเพนิวาสารนุสติญาณความคือความรู้ระลึกชาติผลหลังของตนเองได้ ซึ่งพระองค์นั้นทรงระลึกด้วยกำลังแห่งอภิญญาณโดยปฏิโลมถอยหลังไปตั้งแต่รัตนบัลลังก์อาจจนกระทั่งถึงหนึ่งชาติสองชาติและจนกระทั่งหาประมาณมิได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณ น, นี้ก็ไปวระ ล, ะลึกชาติได้คือพระองค์นั้นสามารถที่จะลึกระลึกชาติในหนหลังได้ ว่าพระองค์นั้นเคยเกิดมาแล้วด้วยกันทั้งหมดกี่ชาติในชาตินั้นพระองค์มีวันนะมีรูปันรูปพันสันฐานวันนะเป็นเช่นไรมีอาหารเช่นไรชื่ออะไรมีบิดามารดาชื่ออะไรพระองค์สามารถที่จะทรงระลึกได้โดยวิธีที่พระองค์ทรงระลึกด้วยกาลังแห่งอภิญญานั้นโดยปฏิโลมคือถอยหลังไป เริ่มระลึกตั้งแต่พระองค์ประทับนั่งอยู่ปัจจุบันนี้ถอยหลังไปว่าเมื่อพระองค์จะมาสู่รัตนะบัลลังก์นี้พระองค์มาจากไหนอพระองค์ได้ทรงข้ามแม่น้ําในรันชลามาแล้วก่อนที่พระองค์จะมาสู่ที่อุรุเวลานีนพระองค์มาจากไหนทรงระลึกถอยหลังถอยหลังเลื่อยไปจนกระทั่งว่าพระองค์มาเกิดนั้นเนี่ยพระองค์มาจากไหน ก่อนที่จะมาเกิดในมนุษย์โลกนี้มาจากไหนมาจากชั้นดุสิตเทวโลกตอนที่พระองค์จะไปอุบัติขึ้นในชั้นดุสิตเทวโลกพระองค์มาจากไหนถอยหลังเช่นนี้เลื่อยไปเชื่อไปตั้งแต่หนึ่งชาติสองชาติจนถึงแสนชาติจนกระทั่งที่วะหาประมาณมิได้ขยานอันเป็นตัวปัญญา น, นี้พระองค์ได้บรรลุในประถมยายามัจจาม คือยามต้นแห่งาราตรีระหว่างหกโมงหกมงเย็นถึงสี่ทุกอันนี้ประการพระอาจารย์นั้นได้อธิบายในเชิงเป็นธรรมะอีกประการหนึ่งว่าุกเพนิวาสานุสติยานคือการลึกชาติไดน้นี้หมายถึงการสามารถที่จะรู้ได้ว่า ถึงกายสังขารที่เราอยู่นี้ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารประกอบขึ้นเป็นตัวเป็นตนคือหมายความว่าสามารถมองทะลุตนเองได้อย่างปลอดโปร่งเหมือนกับในช่างที่สามารถที่จะรู้เครื่องยนต์ของรถได้ ซึ่งคนทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้รู้แต่เพียงว่าเป็นรถยนต์แต่ในช่างนี้สามารถที่จะรู้ได้ว่ารถยนต์นี้ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยลอ้อประกอบไปด้วยเพลาประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ต่างๆด้วยจักรด้วยเฟืองต่างๆซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อแยกออกแล้วเราจะหาคำว่ารถไม่ได้เลยชั้นใดก็ดีแม้แต่ร่างกายของเหล่านี้ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้หรือได้มองจนเห็นทปปลุโปรงแล้ว เราจะหาว่าเป็นตัวเรานั้นหาไม่ได้เลยเป็นตเพียงส่วนประกอบคือลูกเวทนาสัญญาสังขารเท่านั้นส่วนในลูกนั้นก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่มีดินน้ำไฟลมเป็นต้นมีผมขนเล็บฟันนังเนื้อเหล่านี้เป็นต้นเมื่อแยกสิ่งไปแล้วเราจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นหาไม่ได้เลยนี่พระองค์ได้ทรงเห็นแจ้งโดยทะลุผู้โปร่งถึงอ่า กายสังขารทั้งหลายบางอาจารย์ท่านก็ได้อธิบายไว้ในเชิงธรรมะว่าอย่างนี้พอล่วงเข้าสู่มัชิมยามคือยามในท่ำกลางนั้นระหว่างสี่ทุ่มถึงตีสองพระองค์ก็ได้ทรงบรรลุจุตูปปาตายานคือสามารถที่รู้การจุติคือการตายและอุบัติคือการเกิดขึ้น แห่งเราสัตว์โดยประการทั้งปวงหรือเรียกอีกประการหนึ่งว่าทิพยจักขุญานคือว่ามีดวงตาอันเป็นทิพคือดวงตาแห่งปัญญาสามารถที่จะมีจักษุอันเป็นทิพนี่ล่วงจักษุของมนุษย์คือตาเนื้อได้สามารถที่จะรู้ได้ว่าสัตว์เหล่านี้จุติมาจากไหนและจะไปบังเกิดที่ไหนหรือว่าที่มาบังเกิดนี้จุติมาจากไหน แล้วก็แล้วก็ต่อไปนี้จุติจากนี้ไปแล้วจะไปบังเกิดที่ไหนนี่สามารถที่จะรู้ได้อย่างแจ้งเหมือนกับคนที่อยู่ในที่สูงหรืออยู่บนยอดภูเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนที่อยู่บนพื้นดินนั้นออกจากที่ไหนไปในที่ไหนนี่พระองค์ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าวาลสัตว์นั้นที่เกิดขึ้นมานั้นมาจากไหนและตายไปแล้วจะไปในที่ไหน ในที่นี้ท่านได้อธิบายไปในเชิงธรรมะว่าก็หมายถึงว่าพระองค์นั้นได้รู้ถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่เดกระทําไว้สามารถจะจําแนกได้ ว, ว่ากรรมที่สัตว์ได้กระทำไว้เป็นกรรมที่ชั่วย่อมนําไปอยู่สู่สถานที่สุขทุคติอันเป็นสถานที่ชั่วแต่กรรมที่สัตว์ได้กระทําไว้่ในกรรมที่ดีก็จะนําให้ไปเกิดในสุคติ คือกรรมในในสถานที่ดีนั้นเพราะฉะนั้นคนเรานั้นที่เกิดมานั้นก็ด้วยอํานาจของกรรมจึงเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาในกองเงินกองกองทองคือเกิดมาในตระกูลที่ล่ํำรวยแตบ่บางคนก็เกิดมาในตระกูลที่ยากจนในแหล่งสลัมเกิดมาครั้งหนึ่งทั้งชาติหนึ่งแม้แต่เครื่องที่จะพันกายนั้นก็หาได้ยาก และบางคนเกิดมานั้นก็มีผิวพรรณที่ต่างกันมีวันละต่างกันแม้แต่ว่าหน้าตาลูปร่างก็ต่างกันบางคนเกิดมามีผิวพรรณดีหน้าตาจะสวยเป็นที่ทัศนาของบุคคลอื่นแต่บางคนก็เกิดมาแล้วมีผิวพรรณซามมีหน้าตาที่อัปักษณ์ไม่ค่อยจะเป็นที่ศบตาของบุคคลอื่นที่ได้พบเห็นเข้า อันนี้ก็โดยอำนาจของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ตนเองได้การทาไว้อันนี้แหละพระองค์ได้ทรงทราบถึงว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี้เกิดมาด้วยอำนาจของกรรมกรรมนั้นย่อมจาแนกสัตว์ให้ดีบ้างและเลวบ้างจึงได้จัดว่าเป็นจุตูปปาตยานคือพระยานคือปัญญา น, นั้นสามารถรู้จักการจุติ คือการตายและการเกิดของเราสัตได้นี่เป็นประการที่สองคือในยานที่สองว่าจุดตูประปาตยานพระองค์ได้ทรงบรรลุนั้นในมัชชิมายามคือในยามที่เป็นถ้ำกลางเมื่อร่วมปัะชิมายามสมัยใกล้ลุงคือตั้งแต่ตีสองขึ้นไปถึงระหว่างหกโมงเช้านี้พระองค์ก็ได้ทรงหยั่งยานลงพิจารณาถึงปัจจญยาการในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งในปฏิจจสมุปบาท น, นี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงเรื่องหลักของปัจยาการหรือเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคื อ, อคือทำที่เกิดขึ้นอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเหมือนเป็นหนึ่งวันลูกโซ่ซึ่งโลกโซ่ลูกหนึ่งก็ทําให้มีลูกโซ่ลูกที่แอลหวงที่สองหวงที่สองก็ทําให้มีลูกโซ่ห่วงที่สามคล้องกันไปเป็นลำดับเรียกว่าอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทนี้ก็เช่นเดียวกันคล้องกันเหมือนประดุลลูกโซกมีอวิชาเป็นต้นอวิชาความไม่รู้อวิชาปัจจญาสังขาราอวิชานี้เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดสังขารสังขารและปัจจญาวิญญาณังสังขานี้เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดวิญญาณเป็นลําดับลําดับไปพระองค์ได้พิจารณาเลื่อยไปตั้งแต่ต้น จนกระทั่งสุดท้ายโดยปฏิโลมโดยอนุโลมและปฏิโลมคือถอยหลังกลับพระองค์ได้พิจารณาเลื่อยไปจนกระทั่งชาติชราหมรณะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรชลาและมรณะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็เพราะเหตุที่มีชาติชาติที่เกิดขึ้นก็เพราะเหตุที่มีภพเป็นปัจจัยทรงพิจารณาเลื่อยไปจนกระทั่งเชในฝ่ายที่เกิดเช่นนี้ เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาในฝ่ายที่เกิดแล้วก็พระองค์ก็ทรงพิจารณาในฝ่ายที่ดับในฝ่ายที่ดับในฝ่ายที่ดับนั้นพระองค์ก็พิจารณาว่าเพราะอภิอวิชาดับทําให้สังขารดับเพราะสังขารดับวิญญาณจริงดับเป็นลําดับไปโดยอนุโลมเมื่อโดยปฏิโลมและพระองค์ก็พิจารณาโดยถอยหลัง ว่าโศกปริเทวทุกข์ความโศกความเศร้าใจเสียใจจะไม่เกิดขึ้นมีได้เพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าชาติมันดับคือไม่มีการเกิดและชาติไม่มีการเกิดคือเราไม่มีการเกิดเพราะอะไรเพราะพบดับ<น>พบทํไมจึงดับเพราะตัณหาดับตัณหาอุปาทานอุปาทานดับเหล่านี้ทรงพิจารณาถอยหลังมาโดยลำดับอย่างนี้พระองค์ก็จึงได้รู้แจ้งทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับ ในขณะนั้นเองพระองค์ก็ได้พิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทนี้ทำให้พระองค์ได้เห็นทั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับแล้วให้พระองค์นั้นได้สามารถรู้อริยสัจสี่ประการอริยสัจสี่ประการนี้ก็คือของของจริงอย่างประเสริฐหรือว่าของจริงอย่างแท้จริงในอริยสัจสี่ประการนี้ที่เรียกว่าเป็นพระอาิวาเรียกเป็นอริยสัจนี้ก็ได้แก่เป็นปรมาธัสจัก คือจริงโดยประมัดไม่ที่จริงโดยสมมติสัจจะนั้นมีสองประการก็คือหนึ่งสมมุติสัจจะกับสองประมัตดสัจจะสมมุติสัจญ์นี้ก็จริงตามที่ชาวโลกสมมตุติเช่นสมมติว่าคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในพื้นมนุษย์นี้ประเภทนี้เรียกว่าคนประเภทนี้เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นหลักของการสมมติแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ เหมือนกับชื่อคนเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้ไม่ใช่ของแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นแต่เพียงสมมติเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องสมมตินี้เรายอมรับกันอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสมมติสัจจะแต่อริยสัจจานั้นเป็นของจริงโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลง เ, เ, เ, เช่นคาว่าทุกทุกมีอะไรบ้างชาติปุถุขาการเกิดเป็นทุกไม่ว่าในอดีต ในปัจจุบันหรือในอนาคตการเกิดก็ย่อมเป็นทุกข์อยู่ล่ามไปไม่ใช่ว่าแน่ดีแต่การการเกิดเป็นทุกข์แต่ในปัจจุบันหรือในอนาคตการเกิดจะเป็นสุขไปได้จะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่าอริยสรรัจเพราะเป็นสัจจะที่ของจริงอย่างประเสรศิฐหรืออย่างแน่อย่างแน่อย่างแน่นอนหรืออย่างมั่นคงในอริยสัจสีประการนี้ก็มีหนึ่งทุกข์ สภาพที่ทนได้ยากซึ่งคนใดได้ประสบเขแล้วทนได้ยากสองสมุทัยบอ่อเกิดหรือว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทให้เกิดทุกข์สามนิโรธการดับทุกข์และก็สี่มรรคหนทางที่จะให้ถึงการดับทุกข์ สูงทางสำหรับการปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ในทุกข้อตนนั้นได้ทรงจําแนกไปว่าอะไรบ้างเป็นทุกข์ชาปิตุขาการเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกขาการแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังการตายก็เป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจก็เป็นทุกข์แต่โดยสรุปแล้วสังขิตเตณปัญจุ ป, ปาทานขันธาขันห้าเป็นทุกข์ก็คือว่าทุกข์นี่เกิดขึ้นในตัวเรานั่นเอง เพราะอำนาจของขันห้ามีทุกยังมีนี่สภาพของทุกสมุทยัยความดับทุกอ่าสมุทัยต้นเหตุให้ถึงความดับทุกขอันนี้ต้นเหตุที่จะให้ถึงความทุกข์ได้ก็ได้แก่ตัณหาสามประการคือหนึ่งกามตัณหาความพอใจละไข่ในกามภาวะตัณหาความพอใจละไข่ในความเป็นในความลืมในภพวิภาวะตัณหาความพอใจละไข่ ในสิ่งที่ไม่ใช่พบหรือเรียกว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่เป็นต้นเหตุถ้าหากว่าเรายังมีความพอใจในสิ่งเหล่านี้ตราบใดทุกก็ย่อมมีตราบนั้นส่วนนี้โลดคือความดับทุกนั้นหมายถึงว่าการปล่อยการวางการไม่มีการยึดมั่นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีอุปาทานไม่ยึดนั่นมั่นว่านั่นเป็นเรานี่เป็ น, เ, ปนเขาเมื่อเราไม่มีความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงอย่างนี้แล้วความทุกข์มันก็ดับ ส่วนมรรคหนทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนั้นท่านกล่าวว่าต้องปฏิบัติโดยอัดถังกิกรรมคือมรรคแปประการเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร